บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่ อ, ตอไปการที่เราเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมีกิเลสประเภทใดประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างก็ดีหรือแม้แต่การกระทบอารมณ์ข้างนอกแล้ว เปิดธรรมะมากบ้างน้อยบ้างก็ดีนั่นประการสําคัญอยู่ที่ปัจจัยภายในคือจิตใจของบุคคลเพราะภายในจิตใจของเรานั้นมีเชื้ออะไรอยู่มากที่ท่านได้เ ร, เรียกว่าเป็นผู้มีาธาตุอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสมมุติว่าคนที่มีาธาตุของความเป็นคนขาดมาก จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนิดหน่อยก็ขาดก็กลัวก็ไปตกกังวลก็สะดุ้งก็หวั่นไหวแล้วแต่ถ้าเราดูคนในหลายคนกระทบอารมณ์เดียวกันก็ประาก์ว่าแสดงอาการออกมาไม่เหมือนกันซึ่งหมายความว่าความแตกต่างของาธาตุของความเป็นคนขาดนั้นมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันในเรื่องของ กิเลสก็มีลักษณะอย่างนั้นปาทีท่านจะกล่าวแยกไว้เป็นโละภะธาตุโทสะธาตุโมหะธาตุแต่บางทีก็พูดรวมๆว่าธรรมธาตุและอธรรมธาตุอธรรมธาตุก็คือเชื้อของกิเลสประเภทต่างๆที่มีมากบ้างน้อยบ้างแต่สรุปว่า ถ้ากระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกในทํานองเพิ่มกิเลสก็หมายความว่าเชื้อภายในใจเรามีมากท่นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาสวะโดยสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในใจกิเลสประเภทสังโยติผู้เจ้าทรงยกขึ้นมาแสดงที่จริงก็คือพวกอาสวะนั่นเองแต่ก็จำแนกแยกแยะออกไปตามลักษณะอาการเพิ่มขึ้น จะแสดงในรูปอัสวะแสดงถึงสามข้อจะ แ, แสดงในสังโยชน์ก็แสดงไว้ถึงสิบข้อเพียงแต่เมื่อกล่าวโดยเนื้อหาแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่มีความเข้มข้นแตกต่างกันเท่านั้นเองจะเรืวความโลภที่บังเกิดขึ้นจะพูดตั้งโดยลักษณะแล้วเป็นความโลภด้วยกัน แต่ความโลภบางอย่างมันก็คุมให้สแสวงหาการได้ป่าการตือครองในทางที่สุดจริตได้คนอาจจะเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์มากมายไกิกองได้โดยมีความโลภแต่สแสวงหามาในทางที่ชอบทำนั้นแสดงว่าเชือ้อของความโลภที่มีนั้นถูกคุมเอาไว้ให้อยากได้แต่รู้ว่ากวดวจะอยากได้ อะไรอยากได้จะได้มาโดยวิธีใดแต่ก็ใช้ความเพียรแสวงหามาโดยวิธีนั้นแต่บางครั้งตัวความโลภนั่นเองมีความรุนแรงมากเกินไปพอเกิดขึ้นมาบางทีก็มีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอก ซึ่งท่านสาวชนทั้งหลายจะเห็นในว่าคกล้ๆกับเราไปเห็นสินค้าตัวใดตัวหนึ่งที่มีการโฆษณากันใหม่ๆตัวอ่านแล้วในขั้นแรกมันอาจจะเกิดความสนใจแต่ไม่ถึงก็ไปศึกษาในรายละเอียดไปเจอไปบ่อยเข้าก็ไปศึกษาในรายละเอียดอาจจะเกิดความอยากได้ความต้องการสิร่งต่อดนั้นแต่ไม่ถึงก็ดิ้นดนควนควายอะไร แต่พอดีก็มีเซนแมนมาโฆษณามาชี้แจงเยกะแยะน้มน้าวอ้อนวอนขอร้องซึ่งตามปกติแล้วจะพูดในแนวเพิ่มความอยากได้เพราะาสิ่งที่คนเหล่านั้นพูดก็จะดีไปหมดก็ทำให้เรามองเห็นคุณค่าประโยชน์ความดีของสิ่งเหล่านั้นแล้วเกิดอยากได้เพิ่มขึ้นก็ตกลงว่าเป็นเชื้อ ที่สืบเนื่องกันมาคือเชื้อเดิมที่ความอยากที่มีอยู่เดิมเชื้อที่เกิดขึ้นจากการสะสมจากการอ่านจากการฟังจากการดูแลเชื่อที่มีการเน้นย้ำจากผู้ที่มาโฆษณาในสุดความโลภอยากได้ก็เกิดขึ้นก็ตัดสินใจซื้อแต่ในจุดนี้จะพบว่า มันก็คงเป็นการได้มาในต่างที่ชอบทมแต่อาการทางจิตแล้วกิเลสประเภทความโลภได้ถูกตอกย้ำได้เด็ดย้ำกไปบ่อยๆตัวนี้คนบางคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นคงรับรู้มาในทํามนองเดียวกันแต่ความโลภมากตอบสนองความต้องการของตัวเองไม่ทันเพราะนาี่ใช้วิธีรัดลัดในการได้ สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองก็คือใช้วิธีลักช่อขโมอปยปลอขโมยขโมยเขาแล้วก็ปลอมแรงหลอกลวงต้มตุนด้วยวิธีการต่างๆซึ่งบางครั้งเป็นการทำลายฐานของความเป็นคนเช่นพุทธศาสนกชนซถ้าเรามองย้อนอนดีตไปไกลๆหน่อย คนสมัยนั้นถึงแม้จะเป็นขโมยเป็นโจรเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่ถึงกับขโมยพระพุทธรูปไปขายไม่ถึงก็ตัดเสียนพระพุทธรูปการขโมยพระพุทธรูปไปขายทั้งองค์นั้นเร็วน้อยกว่าการตัดเสียนพระพุทธรูปเพราะในความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วพระพุทธรูปก็คือองค์แทนพระพุทธเจ้า แล้วถ้าเรานัาถือมากๆเข้าหนักๆเข้ามันจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับท่านมีจีวิ จ, จิตใจแือสมหรับเราในความรู้สึกของเราเพราะการกล้าตัดเินเนี่ยล้วก็เหมือนกับตัดหัวพ่อแม่ของตัวเองซึ่งหมายความว่าความโลภนั้นได้ครอบงาจิตใจอย่างแรงจนทาลายฐานความเป็นพุทธศาสนิกชนของตน ขายได้แม้แต่ศาสดาตัวเองหรือตัดเสียรได้แม้แต่ศาสดาตัวเองถึงหมายความเป็นไงมความปริมาณความหลงมากก็มากเกินจนลืมนึกถึงเหตุผลนึกถึงความเหมาะความควรนึกถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้จากการขายเสีย ร, รโหรหุตุรคือขายพรพุตธรุกับบาปที่ตัวเองจะได้จากการทำลายพรพุตธรป ซึ่งช่วงการให้ผลนั้นจะแตกต่างกันมากแต่เพราะโมหะมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้คนก็ไม่ได้คิดในจุดนี้เงินทองที่เราได้มาจากการสมมติว่าขายพระพทธรูปดังกล่าวค่ามันจำกัดมันก็ให้ผลแก่เราในช่วงสั้นๆอาจจะสะดวกสบายซื้อหาจับจ่ายใช้สอยในห่วงระยะเวลาหนึ่ง ในขณะเดียวกันมันก็เป็นตัวอสราพิษคืออาจจะเป็นประจักษ์พยานหลักฐานที่นำไปสู่การสืบสวนจนเจ้าหน้าที่รู้ว่าเราเป็นโจรก็ได้แต่ส่วนบาป ท, ที่เกิดขึ้นจากการกระทาในละักษณะนั้นมันติดตามเราไปไม่ได้ให้ผลเฉพาะชาตินี้ด้ให้ผลไปถึงชาติหน้าด้วย แล้วก็ชาติต่อๆไปด้วยเรียกให้ผลในลักษณะสืบพบสืบชันผลกิเลสประเภทลบภาคโมหะในกรณีนี้จึงเกิดเพิ่มขึ้นมาได้แก่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไอ้ธาตุที่มีอยู่ภายในมันก็มากตัวกระตุ้นจากข้างนอกมันก็มาก หรือบางทีอาจจะถูกบีบคั้นด้วยสภาพทางเศรษฐกิจทางสังคมหรือเงินขายเหล่าอื่นเข้าไปผสมข้าวความรุนแรงทางอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นทำให้การกระทําของบุคคลรุนแรงขึ้นไปโดยลาดับในกรณีเหล่านี้มันเกิดได้ยิ่งหย่อนแตกต่าง ตามพื้นฐานภายในใจของคุณแต่เราจะพบเห็นลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติธรรมะสำหรับพุทธศาสตร์สนนิษชันอย่างในข่าวกรณีของการลักการขโมยพระพุทธ ร, รูปเมื่อตำรวจจับผู้ร้ายมาได้ได้พระพุทธ ร, รูปคืนนำผู้ร้ายไปสแสดงแผนก็ททำแผนประทุสกับ ประชาชนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งก็เป็นคนดีอยู่แล้วแสดงอาการโกรธแค้นต่อคนที่โลภหลงมากๆวิ่งเข้าไปกรูเข้าไปจะประทุวรา้ายจะฆ่าจะทุกดีจะทำลายการปฏิบัติในลักษณะนี้ก็คือเราก็เพิ่มโทสะโมหะขึ้นมา คือเราโกโรธโดยไม่มีเหตุผลอะไรเป็นการลดตัวเองลงไปทำแบบเดียวกับคนที่ถูกความโลภความหลงครอบงาเกียงแต่เราเกิดความโกโรธความหลงครอบําอะไรนันอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทำชั่วตัวเองเพราะความโลภคนอื่นจึงกระตุ้นโทสะของเราและจากจุดนี้เองก็มีการเบียดเบียนมีการยื้แจ้ง มีการปล้นมีการจกชิงอะไรต่างๆกันขึ้นมาแล้วก็มีการโกรธไปพตุสลายบุคคนลดนั้นเพราะงั้นเราก็กลายเป็นเส้นทางของเวรของภัยปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมหรือเป็นปัญหาทาวรของมนุษย์ชาตินนในองการประพฤตปฏิบัตินั้นในส่วนเชื้อภายในเป็นเรื่องที่ เราก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันมีมากหรือมีน้อยทักไหนแต่ถ้าหากเพยายามสังเกตตรวจสอบดูจิตใจตัวเราอยู่เสมอที่ทรงสอนให้พิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนแล้วก็ตัดสินตนด้วยตนแล้วก็เตือนตนด้วยตนหมายความว่าดูจิตใจของเราเวลากระทบอารมณ์ทั้งหลา ย, ยกิเลสมันเกิดขึ้นมากหรือไม่ แต่กิเลสเกิดขึ้นมากถ้าหากว่าพยายามหยุดกระแสของกิเลสเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็หาคำตอบต่อไปก็สามารถที่จะบรรเทาความรุนแรงของกิเลสลงไปได้แต่การที่เป็นเช่นนี้บางทีมันต้องอาศัยปัจจัยข้างนอกเข้ามาประกอบ ตันอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระซึ่งจะสร้างกุฏิอยู่เพื่อตัวเองเป็นกุฏิแคบๆกว้างก็เจ็ดคืบยาวก็สิบสองคืบพูดง่ายๆว่ากว้างเจ็ดคุดก็ยาวสิบสองคุดสมมติว่าท่านจะเกิดโลภอยากได้อะไรขึ้นมานีท่า น, นถามปหัหาสองสามคำมันก็ตอบไม่ได้แล้ว ของนั้นเป็นชิ้นปนัญหาว่าอยากได้อะไรอยากได้ไปเพื่ออะไรได้ไปแล้วนี่จะวางที่ไหนจะเก็บที่ไหนเราได้ประโยชน์อะไรจากการได้การมีสิ่งเหล่านั้นในสุดมันติดแค่ที่เก็บเท่านั้นเองคือจะไม่มีที่ตั้งที่วางของเหล่านั้นแล้วเพราะว่าที่อยู่นั้นครับแค่ ตอนนี้ก็เป็นปัจจัยประกอบในการฝึกปลือใจตัวเองนั้นประการเนึ่งและการเจช่วยให้พระอยู่อย่างประหยะัดเรียบง่ายในพุกติสมัยนั้นที่จริงก็ไม่ถ่าวันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนมีเสนาสนะวัดวารามใหญ่โตนั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของเศรษฐีเป็นเรื่องของพระราชาทุงท่านมีสถานะทางทรัพย์สินถ้าต้องการบุญของท่าน ตรงนี้จะเห็นว่าเป็นคนละเรื่องกันละการห้ามพระเอาไว้นั้นคือกลัวกิเลสจะเพิ่มแต่การอนุญาตให้ชาวบ้านสร้างวัดว่าอารามทั้งท่านนาติบินิกาเศรษฐีนาวิสาขาสร้างนั้นไม่เป็นการเพิ่มตัวบุญเพ ร, ะราะว่าบางคนเหล่านั้นเขามีอยู่แล้วแต่ต้องการจะสลละละวางสิ่งเหล่านั้น โดยการบริจาคโดยการให้ทานมันก็กลายเป็นบุญญาณิธิกุ่มทรัพย์คือบุญไปเพราะอะไรจงเห็นพึงเห็นลักษณะที่มันต่างกันพะสมมติว่าพระอยากได้อยากสร้างกุฏิเพื่อตัวเองใหญ่ๆตัวๆเนี่ยมันเป็นการปรนปรือตัวเองบำรุงบำเรอตัวเองต้องการความสะดวสบายเพื่อตัวเองที่เราเรียกว่าการมาราคะ คือความกำหนัดด้วยอำนาจความคร่ในสิ่งที่ตัวเองใคร่ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นพูดเรื่องเพศอะไรหมายถึงวัตถุทั้งหลายอะไรก็ได้เป็นรูปก็ได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้สัมผัสก็ได้ถ้าเราต้องการมาในแนวปลุนปลื้ตัวเองมันก็กลายเป็นเรื่องของการมารักข้าแต่ในกรณีของชาวบ้านที่ท่านสละทรัพย์สมบัติสร้าง ศาสนาสถานทั้งหลายนั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ที่สิ่งที่ตัวเองได้ก็คือบุตรคือความสุขความสบายใจสัวตัววัตถุสิ่งของนั้นยังไงมันก็เป็นสมบัติของโลกแต่นั้นเสริมค่าของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเท่านั้นหมายความมาแทนที่จะให้ติดโลกอยู่เพียงอย่างเดียวก็บุญจากการละสิ่งเหล่านั้นติดตัวปล่อยสมบัติก็ติดโลกต่อไป ความเปลี่ยนแปลงในสองด้านมันก็เกิดขึด้นก็กลายเป็นการแบ่งเบา่าไม่พระจำเป็นจะต้องไปสร้างกุติเพื่อเป็นที่อยู่ของตัวเองแต่ก็มีเงื่อนไขถังวินัยเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้ที่จริงเป็นสมบัติโลกดังกล่าวเกิดแต่อขออนุญาตจากสงฆ์สงฆ์อนุญาตให้เรียบร้อยแล้วก็มีญาติโยม ปรตชาชนเขาต้องการจะสร้างถวายก็เป็นเรื่องสร้างได้จะสร้างแล้วก็กลายเป็นสมบัติของสงฆ์ไม่ใช่เป็นสมบัติของพระรูปนั้นนั่นก็คือต้องการจะปิด ก, กั้นกระแสของการมราคะจนกลายเป็นการมมุปาทานยึดยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองใคร่และการปฏิบัติเหล่านี้จึงบางครั้งเนี่ยมองคล้ายๆจะขัดแย้งกัน แต่ต้องมองถึงความสืบเนื่องแล้วจะเห็นว่าไม่มีความขัดแย้งกันแต่เป็นไปเพื่อความลดละกิเลสบรรเทากิเลสเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจแต่เนื่องจากมันมีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกดังกล่าวว่าจะเป็นกิเลสสายโลภสายโกรธสายหลงก็ตามน อ, อกจากเรามีเชื้ออยู่ภายในแล้วมันมีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอก โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันเราจะพบว่าตัวกระตุ้นนั้นแรงลักษณะสื่อที่มีการโฆษณากันต่างๆในโลกโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเน้นไปในลักษณะยั่วให้อยากหรือยุให้อยากก็จะพูดเฉพาะในส่วนดีๆส่วนที่มีคุณค่าส่วนที่มีประโยชน์ของสิ่งนั้นไม่ว่าจะดูจากหนังสือพิมพ์ ดูจะโทรทัศฟังเจ้วิทยุหรือดูตามคัดเอาโพเตอร์ทั้งหลายมันจะมีแนวนั้นก็แสดงว่าอารมณ์ข้างนอกเนี่ยมันมีอิทธิพลมากบางครั้งความคิดอยากได้มันัะไม่มีแม้จะมีเชื้ออยไย ใ, ในใจแต่ก็มีตัวกระตุ้นมามากๆกระตุ้นซ้ำๆ ซ, ซ, ซากๆปล่อยๆทุกครั้งนี่ใจมันรับมันก็ตกกลายเป็น ตะกอนคือไปเพิ่มเชื้อซึ่งมีอยู่ก่อนให้เพิ่มขึน้นในตอนแรกๆนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไรมันคล้ายๆกับเราไปสูตรสารพิษอะไรต่างๆเข้าไปเตียเล็กเียน้อยในตอนต้นๆมันก็ไม่มีอะไรเท่าไรพอส่วนหนึ่งเราก็มีผูมิดันทานใบมันก็ถูกสลายไปแต่ก็ต้องมีตกตะกอนคือมีเชื้อเหลืออยู่เสมอแต่นางค้านานข้ามันก็มีการสะสม จะร่างกายเราเกิดภูมิต้านทานไม่มีกำลังมากพอและในสุดก็เริ่มจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสารพิษเหล่านั้นเกิดอ่อนเพียเพ ร, เพรแรงเกิดหน้ามืดตาลายจะต้องเข้าโรงพยาบาลต้องประัดรักษากันแต่ลองสืบสาวจริงๆมันก็สะสมกันมานานไม่ใช่ว่านิ่งๆเกิด พ, พุพลาดทีเดียวนอกจากว่าสาพิษตัวนั้นแรง มันก็เกิดขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะในแนวในการปฏิบัติพรเจ้าก็สอนเรื่องปรับสภาพแวดล้อมกับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องลักษณะาทางอารมณ์เพื่อจะเกื้อกูลต่อจิตใจหรือให้อย่ารับเชื้อเหล่านั้นมากเกินไปคล้ายๆก็เราอยู่ในกรุงเทพอึดอัดขัดข้อง อากาศก็เป็นพิษมากก็ออกไปสูตรอากาศที่บริสุทธิ์กันนอกสักระยะหนึ่งร่างกายก็กระปรีกระปรับขึ้นท่านจึงเด้นไปเรื่องที่อยู่อาศัยที่ปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องนิเวศวิทยาเรื่องปัญหาเรื่องนิเวศ ท, ที่มีการโดณรงค์กันมากเขามองในด้านสุขภาพกายแต่ศาสนานั้นมองทั้งกายทั้งจิต แล้วก็เน้นสําคัญจิตจิตเพราะฉะนั้นจากแนวนี้เราจึงพบ ว, ว่าพระพุทธเจ้าเองหรือแม้แต่พระอานทั้งหลายล้าก็เข้าป่า mm hmm. เพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการนิเวศคือที่อยู่ที่ไม่มีตัวกระตุ้นจากข้างนอกมากเกินไป mm hmm. ใจิตใจสามารถที่จะนม้มน้อมหาความสงบได้ mm hmm. ลองนึกภาพถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันจะเห็นว่า มันมีตัวเร่งใจข้างนอกอยู่แจ๊กจนบางคนที่มีโทรศัพท์มีวิทยุมีโทรศัพทพ์มือถือมีอะไรทต่ไหนจะนั่งคิดอะไรให้สงบพอจะเป็นเรื่องเป็นราวโทรศัพท์กริ่งเดียวก็กระเจิงล้ความคิดเดิมก็หายไปความสงบเดิมก็หายไปก็ถูกดึงกลับไปสู่การพูดการรับรู้อารมณ์ใหม่ดูวันที่นั่งสมาธิอยู่นี่ โทรศัพท์กลิ้งเดียวก็มีปัญหากสแสดงว่าสภาพปัจจัยภายนอกไม่เกื้อกูลจึงมีการสะสมอารมณ์ในทางที่อยากได้บ้างไม่พอใจบ้างหรือพอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็มีการสะสมในเรื่องดนี้เพราะการที่เราได้ยินข่าวครา ว, ว่าคนในปัจจุบันนี่รุนแรงขึ้น บางทีข่าวคราวจะไม่น่าเชื่อว่าเพราแม่ตักเตือนลูกไปอ่านหนังสือลูกโกรธเอาปืนมายิงตายทั้งคู่เลยนี่แสดงเห็นว่าเด็กเห่านั้นก็ไปเกี่ยวข้องอารมณ์แวดล้อนก็มีการาสะสมมีการเก็บกดมีอะไรอยู่เยอะคือเชื้อภายในก็เยอะแล้วเชื้อภายนอกก็เยอะแต่แม่ความโกรธความไม่พอใจในพ่อแม่นั้นก็อาจจะกรธเก็บเก็บเอาไว้มาก พนักเหล่านี้ถ้าหากว่าไปได้เรื่องสภาพแวดล้อมที่ดีควาเสนาสนะสัปพายะคือที่อยู่ที่อาศัยเราเนี่ยก็กูลต่อาการรับอารมณ์ไม่รับอารมณ์ในทางที่เลวร้ายมากเกิดไปก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนในข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากไว้ว่าจะเรื่องมงคลเรื่อง ของจักรสี่ที่เหมือนกยานพานะนําคนไปสู่ความเจริญเรื่องอาวุธธรรมธรรมะที่จะเพิ่มพูนพัฒนาให้เกิดกาความเจริญเข้าหน้าในรานต่างๆนั้นก็ทรงเน้นไปที่ตัวสถานที่หรือสภาพแวดลอ้ลอมประการต่อไปก็คือเรื่องของอาหารที่ ร, รับประธานเข้าไปนั้นจะต้องรับประทานด้วยปัญญา ที่ส่งสอนว่าอย่าบริโภคด้วยตัณหาแม้ความอยากกินถ้าบริโภคโดยตัณหาแล้วก็มีปัญหาตามมาแม้จะไม่พูดถึงเรื่องความสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์แต่ก็จะมีปัญหาในลับฐานทางอารมณ์มันเปิดเกิดเพิ่มกำลังเพิ่มเรียวแรงขึ้นมาไปกระตุ้นความต้องการที่เพิ่มยิ่งขึ้นในเรื่อ ง, งต่างๆ ซึ่งหมายความยังไงหมายความกิเลสประเภทการราคะก็เพิ่มแต่เรียกภาษานิวร์แต่เรียกวกรรมมาชันเรียกภาษาของสังโยชน์แต่เรียกวการมราคะได้ีจริงก็คือกันเป็นลักษณะของใจที่ไขว่คว้าปรารถนาแสวงหาสิ่งซึ่งใจตนเองใคร่ปรารถนาพอใจมาสนองต่อความต้องการของตนแล้วแต่จะเป็นเรื่องของอ้อใด ทหารเขาน้อยเกินไปร่างกายก็ขาดสิ่งเกื้อกูลคือขาดปัจจัยเกื้อกูลประกอบให้เกิดความกระสับกระสายการการะจิตก็ทํางานประ ส, สานกันเมื่อกายการะสับกระสายจิตก็ต้องกระสับกระสายซึ่งก้อนนี้เรามองกลับไปที่แม่บทหลักคือพระพุทธเจ้าเอง <ule k> เราจะพบว่าตอนอยู่ในวงังแต่ก็บรรลุมรกลไม่ได้เหมือนกัน แต่ตอนเสด็จออกมาทรมานพระรกายจนอดปรกยาหารก็ไปไม่ได้เหมือนกันสแสดงว่าในวงังนั้นหย่อนเกินไปสะดวกสบายเกินไปเพืิดเพลินเกินไปแต่พอมาอยู่ในป่าที่ทรมารนโรรากายมันก็ตึงเกินไปจนกายกระสับกระสย่ยและจะให้พระไัยซึงบมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะงั้นในที่สุดก็ปรับเข้ามาอยู่ตรงกลาง ก็คือเริ่มประเสวริรเสวยพระกยาหารแต่ไม่มากพอร่างกายสามารถดำรงอยู่ได้มีเดีแรงมีกำลังที่จะใช้ความเพียรพยายามแก้ปัญหาเฉพาะด้านจิตใจคือแก้ปัญหาที่กายวยก่อนแลในสุดก็แก้ปัญหาที่ใจเพร่างกายรับประทานอาหารจึงทรงใช้กับว่าโภชนเนมันตันยูตากิรุจักประมาณในการบริโภคพัฒฐ า, าร ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเราจะเห็นว่าถ้าน้อยมันจะเพิ่มกิเลสประเภทโทสะถ้ามากจะเพิ่มกิเลสประเภทรักะถ้าพอดีร่างกายก็จะเป็นเครื่องอาศัยในการทําความดีต่างๆได้ประการต่อไปก็คือเรื่องของอากาศกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เรียกว่าเราเลือกไม่ค่อยได้ได อาการนั้นจะต้องเกื้อกูลถ้าเสียดแทงมากกายก็จะกระสักกบกระส่ายและใจจะกระสักกบกระสา่ายเช่นหนาวจัดร้อนจัดก็จะกระสักกบกระส่ายแต่ลักษณะเหล่านี้บางทีมันก็มีการสะสมดังนั้นเราจึงพบว่าคนที่อยู่ในเขตร้อนจัดกับเขตที่หนาวจัดจะมีความรู้สึกมีพฤติกรรมที่รุนแรง ถ้าเป็นศึกสงครามสาหรับคนสองสองกลุ่มนี้ก็จะมีการฆ่ากันอย่างรุนแรงเพราะในแต่ละวันนั้นได้กระทบเก้าสิ่งเสียดแทงแล้วก็เก็บความไม่พอใจในเรื่องเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็มีการสะสมอยู่ภายในใจบางคนแถบนี้จะมีความรุนแรง เวลแสดงออกมาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโลภหรือความโกรธก็ตามจะรุนแรงและบางทีก็กลายเป็นความอาฆาตพยาบาทที่สืบเนื่องกันมาได้เป็นร้อยรอยปีเป็นพันพันปีก็มีประการต่อไปก็คือเรื่องของคนจึงเป็นปัญหาภูเขาเป็นปัญหาใหญ่มากๆเพราะคนเป็น ผู้ที่เกื้อกูลต่อการเพิ่มธรรมะก็ได้ธรรมะเราก็ได้จากคนได้จากพระพุทธเจ้าได้จากพระสงฆ์ทั้งพระริยสงทั้งหลายได้จากนักปราชัตได้ไ ด, ได้ได้จากบัณฑิตทั้งหลายธรรมะเราก็ได้จา ก, ากผลมรรคผลนิพพานเราก็ได้มาจากการแนะนําชี้แจงของคนแต่ในขณะเดียวกันกิเลสเนี่ยมันเกิดมาจากคนถึงพูดถึงเฉพาะตัวนอกที่มันกระตุ้นนนะ พระตัวคนนั้นจะใช้วิธีการในลนักษณะถ้าชอบมันจะมีการยั่วยวนุนประชังมันก็มีการยั่วยุเราลองดูเราเกี่ยวข้องกับใครก็ตามคนชอบเราก็จะมีการลาักษณะยั่วยวนุนเชิญชวนเ ช, ชิญชวนกันด้วยวิธีการต่างๆแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็จะมีการยั่วยวุเพราะั้นยั่วยุกิเลสประเภทโทสะก็เกิดยั่วยวนุนกิเลสประเภทราคะก็เกิด หรือบาทีก็เกิดโลภะเจอมันชวนไปนั่นไปนี้ไปช้อปปิง้งไปเที่ยวอย่างนั้นอยน่างนี้มันก็จิตใจก็ต้องข่อยความไปเรื่อยๆบางทีเราก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่เพื่อนมันชวนเลยเกรงใจเพื่อนก็ต้องไปตามเพื่อนก็ลากกันไปเพราะในตรงนี้พระเจ้าจึงมาเน้นที่ตัวให้ได้กัญญาณมิตรกัญยาณมิตรจึงเป็นตัวหลัก ที่เรียกว่าเหมือนกับตัวของพรหมจันทร์จริงๆการใช้ชีวิตที่ประเสริฐที่มุ่งปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเกิดความสงบก็ทรงเน้นไปที่การละยาธมิรอย่างที่พระนรนเคยแสดงความเห็นว่าท่านคิดว่าการลยาธรมิรนั้นเป็นกึ่งของการปฏิบัติความดีแต่พพุทธเจ้าจรับสั่งว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นตัวเลย เพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าหากว่าเราได้เขาดีแม้จะข้างนอกมันมีปัญหาต่างๆดังกล่าวแล้วเนี่ยเขาช่วยได้และธรรมะคือธรรมะที่เรานํามาประพฤติปฏิบัติจะต้องเป็นหลักมีพลังมีกําลังที่จะป้องกันที่จะบําบัดป้องกันความชั่วและบําบัดความชั่วในขณะเดียวกันก็รักษาคุ้มครองจิตใจเราให้มีธรรมะเป็นหลัก เสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยที่ทําลายก็แล้วแต่ว่าที่นั้นจะเป็นอะไรในจุดนี้จึงเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อสแสวงหาปัจจัยเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนต่อความสุขความสงบที่จะเกิดขึ้นภายในจิตที่ตั้นจัดไว้ในหมวดหนึ่งเรียกง่ายๆว่าสัมปชัญญะปปะคือหมวดที่ว่าด้วย สัมปชัญญะหรือพวกที่เกี่ยวกับสมัสมปชัญญะก็คือการใช้ปัญญานั่นเองเพราะไรเพราะว่าโดยหลักจริงๆแล้วสาวกของพระพุมีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้รุ่งเรองด้วยปัญญาต่อจตกนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป